ยึดในฟังที่พระท่านพูดอยู่ไม่ส่งใจไปในทางอื่นเมื่อสติกํากับอยู่จับอารมณ์นั้นอยู่ก็ไม่ไปใส่ใจในอารมณ์อื่นนี่เขาเรียกสตินะเริ่มจับอารมณ์นั้นตรึงอารมณ์นั้นไว้หรือว่าดึงอารมณ์นั้นไวไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปจากความรู้สึกอันนี้เขาเรียกสติทีนี้สติที่ดึงอารมณ์ไว้อย่างนี้เพื่อให้ต่อไปก็คือเจริญข้อต่อไปคือธรรมวิจยะสมโพชง ตัวปัญญาเนี่ยก็เข้าไปละลึกตามไปวิจัยตามไปแยกแยะตามว่าพระท่านกําลังพูดในเรื่องของกุศลพูดในเรื่องของความดีพูดในเรื่องของการบําเพ็ญทานศีลหรือภาวนาเป็นต้นก็ไปแยกแยะว่าอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้กุศลอันนี้อกุศลก็ไปวิจัยไปฟันไปแยกแยะในขณะที่ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะนั้นเพราะอะไรเพราะสติตรึงอารมณ์นั้นไว้จับอารมณ์นั้นไว้ ไม่ให้เรื่องนั้นหลุดลอยไปจากใจปัญญาก็ไปสอบสวนไปวิจัยไปแยกแยะอันนี้เขาเรียกว่าได้เขาเรียกธรรมวิจยะสมโพชงก็เกิดขึ้นทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อรู้และเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเนี่ยจิตก็เกิดความหานกล้าขึ้นมาแกล้วกล้าขึ้นมาจิตที่เกิดความแกล้วกล้าเนี่ยก็บุกฝ่าได้จิตก็ไม่ท้อไม่หดหู่ก็มีกาลังใจขึ้นมา การที่มีกําลังใจขึ้นมานี่แหละสภาพจิตที่มีกําลังใจขึ้นมาจิตนั้นก็เกิดความแกล้วกล้าอาถาร <c oughs> ก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่กําลังเผชิญอยู่กรณีอย่างนี้คือวิริยะสัมพ่อชงองคแห่งการตัศโรมันเกิดขึ้นเกิดความเพียรแกล้วกล้าวีระก็แปลว่ากล้าหาญอาถารแลกล้ว ก, กล้าบากบัน่นไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่กลัวต่อปัญหา การเห็นอุปสรรคและปัญหาเนี่ยเป็นบททดสอบเป็นบทฝึกที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความอาถารรพ์กล้า ม, มากขึ้นถ้าปัญหามันใหญ่กว่าใจเราก็ฝึกจิตให้ ม, มีพลังมากขึ้นใจเรามันยังเล็กอยู่มันสู้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องพัฒนาความรู้สึกให้มีพลังขึ้นมาให้จิตมีพลังขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นกล้ามากขึ้นอาถรรพ์มากขึ้น เด็ดเดี่ยวมากขึ้นก้าวไปใจสู้มากขึ้นทีนี้จิตก็เลยมีพลังมากกว่าทีนี้ยิ่งไปเห็นหนทางว่าอ๋ออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะปัญญาไปสอบสวนไปวิจัยไปแยกแยะแล้วปัญญาก็เป็นตัวเปิดทางให้ส่องแสงสว่างให้ทําให้จิตนั้นโปร่งโล่งและเบาเพราะจิตมันโปร่งได้แสงสว่างขึ้นมาก็เลยแกล้ า, ลาเพราะแกล้ า, ลาอาจหันขึ้นมาปุ๊บกําลังใจตามมาก็เกิดปีติ ปีติตรงนั้ น, นก็เรียกว่าใจมันฟูขึ้นใจมันเบิกบานขึ้นใจมันมีพลังขึ้นอะไรตัเนี้นะัสภาพที่ใจมันฟูขึ้นเบิกบานขึ้นเนี่ยอิ่มใจอย่างมากขึ้นอิ่มใจอย่างท่วมทน้นเพราะนึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่ ง, ำงำามๆทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายนึกถึงกําลังใจของตนเองนึกถึงบุญกุศลของตนเองนึกถึงความดีที่ทํามานึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้กระทํามาในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายใจก็ฟูขึ้นมานี่เขาเรียกปีติเนี่ยปีติมันเกิดขึ้นทีนี้พอปีติเกิดขึ้นนะเข้านะเข้าก็เกิดการผ่อนคลายขึ้นมาไม่เครียดจิตที่ไม่เครียดไม่วิตกกังวลจิตใจไม่เศร้าหมองเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัจสัธถานพ่อชงก็คือว่า ใจมันเกิดการผ่อนคลายไม่เครียดไม่กลุ่มไม่งดหงิดไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตใจมันมันผ่อนคลายขึ้นมาทีนี้ใจที่มันผ่อนคลายขึ้นมามันเกิดความสุขสบายขึ้นมาแต่นี้จิตก็เลยตั้งมัน่นไอ้ตั้งมัน่นตอง น, นี้เขาเรียกสมาธิจิตจดจอ่อจิตตั้งมัน่นจิตแน่วแน่ไม่ซัดสายไม่หวันไหวมีพลังเนะย ไม่หวั่นไหวจิตมีพลังจิตตั้งมั่นจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วก็จิตใสสะอาดมองเห็นอะไรเริ่มชัดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิตัวสมาธิมันเกิดขึ้นทีนี้พอสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปก็คือการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางในที่นั้นก็หมายความว่าสภาพจิตเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วเมื่อจิตลงตัวทั้งหมดมันเป็นอุเบกขาที่รู้ ปัญญาก็เข้าวิ่งไปสอบสวนทั้งหมดเลยแต่เนี้ยมันวางเฉยเพราะรู้และเข้าใจไม่ใช่วางเฉยแบบไม่รู้วางเฉยเพราะรู้และเข้าใจเหมือนคนขับรถเนี่ยเวลารถมันแล่นได้เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยถนนก็เรียบด้วยรถก็แล่นไปในระดับที่พอดีด้วยคนขับก็ไม่ต้องไปเกร็งแล้วก็รู้อย่างผ่อนคลายไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ย เวลาพระท่านมาพูดในเรื่องของโพชงหรือมาสาธยายบทนี้วัตถุประสงค์ก็คือให้เรามาเจริญเจริญสติสัมโพชงนี่เป็นองค์แห่งการรู้องค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการรู้ยิ่งก็คือมีสติเนี่ยสติก็มีหน้าที่ก็คือดึงดึงมากับดึงไว้ถ้าดึงมาก็หมายความว่าเรื่องอะไรที่เคยผ่านมาเนี่ยดี เราสามารถที่จะดึงในเรื่องแนอดีตเนี่ยใช้สติไปดึงเรื่องนั้นมาสู่ใจแล้วให้ปัญญามาสอบสวนมารับรู้ได้นี่เคาเรียกว่าดึงมาถ้าดึงไว้ก็หมายความว่าเรื่องที่กำลังฟังอยู่กาลังรับรู้อยู่เราไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันหลุดลอยไปเราก็ใช้สติเนี่ยดึงไว้หรือตรึงไว้หรือจับไว้ไม่ให้มันหลุดไปจากใจเรา เพื่อจะให้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเอามาวิจัยมาแยกแยะอย่างวาระอย่างเนี้ยในครอบครองยอมอ่อนเลยเออเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคที่จริงปัญหาและอุปสรรคมันเจอกันทุกครอบครัวนั่นแหละแต่อย่างเราเนี่ยมาเจอพร้อมๆกันและประดังมาแบบนี้ไอ้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกใจของตน เ, เอง ให้มีพลังให้มีแกล้ากล้าให้แกล้าแกล้าขึ้นมาก็หมายความว่าตัวสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดทีนี้สมาธิจะเกิดไม่ได้ถ้าสติไม่กํากับอยู่กับตัวแต่สตินี่แหละการดึงการตรึงการจับนี่แหละเราใช้สติในการที่ดึงที่เรารู้สึกตัวเนี่ยระลึกอยู่หรือรู้สึกตัวตรงนี้กํากับตรงนี้แหล ะ, กกหละจะช่วยได้อย่างมาก มีสติในการระลึกถึงอะไรให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกพุทธานุสติถ้าระลึกถึงพระธรรมนี่ก็เรียกว่าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระริยสงฆ์นี่ก็เรียกสังขานุสติทีน네ี้เวลาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงให้นึกถ um> ึงพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าชนะมารเนี่ยชนะพญามาร ตลอดถึงชนะมารภัยในด้วยคือชนะกิเลสในใจของตนเองชนะความโลภชนะความโกรธความหงุดหงิดชนะความมืดบอดความมัวเมารุ่มหลงตอนนั้นพระเจ้าใช้ยังไงท่านละลึกถึงทานบรารมีดึงบรารมีเหล่านั้นมาไว้ในตนใช่และลึกถึงศีลที่ทรงบาเพ็ญมาทั้งหมด ดึงมาไว้ในตนและลึกถึงเนกขมมะการออกบวชการออกจากกามและลึกถึงปัญญาและลึกถึงขันติดึงขันติมาไว้ในตนดึงปัญญามาไว้ในตนดึงศีลมาไว้ดึงทานบารมีมาไว้ดึงความเพียรมาไว้ในตนความแกล้วกล้ามาไว้ในตนดึงขันติคือความอดทนมาไว้ในตนดึงสัจจะคือความจริง ใจจริงวาจาและทำจริงมาไว้ในตนดึงอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นมาไว้ในตนดึงการวางใจเป็นกลางมาไว้ในตนยังไงใช้สตินะ่ะดึงไว้ดึงแล้วก็มาตรึงไว้ในในในกระแสะความคิดของตนเองเมื่อดึงบา ร, รมีเหล่านั้นคุณธรรมเหล่านั้นความดีเหล่านั้นมาไว้ในตนปุ๊บแล้วก็มาให้อาหารด้วยการมาร ล, ลึกมาร ล, ลึกบ่อยๆ เมื่อได้เหตุปัจจัยบ่อยๆว่าเราจะประชุมคุณความดีเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยขอบารมีของพระพุทธเจ้ามาไว้ในตนไม่พอก็เลยลึกถึงความดีของตนที่ทํามาทั้งหมดเอามาบวกเอามารวมกันเราจะเอาคุณความดีเหล่านี้มาบวกมารวมไว้ในกระแสะชีวิตของเรานี่แหละแล้วก็เป็นตัวกําแพงเป็นตัวกุศลเป็นคุณความดีในการที่จะป้องกันอันตราย เพื่อขจัดสิ่งเศร้าหมองในใจขจัดความกำหนัดยินดีออกไปขจัดความเครียดความโกรธความกัดกลุ่มให้ออกไปในกระแสชีวิตของตนเองขจัดความไม่เชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาขจัดความหดหู่ท้อถอยเอาความแกล้งกล้าอาถรรพ์กลับคืนมาขจัดความหลงลืมสติเอาสติมากำกับไว้กลับคืนมาขจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจเอาความตั้งมั่นแห่งจิตมาไว้ในตน ขจัดความไม่รู้ความหลงความไม่รู้ความลังเลสงสัยเอาความรู้เอาความเข้าใจมาไว้ในตนเมื่อเมื่อรวมพลังคุณความดีเหล่านี้มาไว้ในกระแสะชีวิตของตนเองแล้วก็พยายา ม, มทําคุณความดีเหล่านี้ให้เกิดความตั้งมั่นให้มีพลังขึ้นมาแล้วก็ตั้งอธิฐานธรรมว่า บุญกุศลคุณความดีที่ข้าพเจ้ากระทํำตลอดถึงคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญมาทั้งหมดขอคุณความดีเหล่านั้นคุณธรรมเหล่านั้นกุศลเหล่านั้นจงมาคุ้มครองกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้สามารถพ้นจากอุปสรรคและอันตรายผ่านพ้นปัญหาเรื่องอุปสรรคอันตราย <c oughs> ไปได้อย่างรวดเร็วและอย่างเร็วพันด้วยเถิดแล้วก็ให้มีความเอิบอิ่ม แล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตั้งมั่นในคุณความดีเหล่านั้นถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าดึงใช้สติไปดึงมาแล้วก็มาตรึงไว้ในกระแสชีวิตจับไว้ในกระแสชีวิตไม่ปล่อยให้คุณความดีนั้นหลุดลอยหายไปแต่มาขจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในกระแสชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นไปแล้ววาระนี้เป็นวาระที่ดีที่สุดที่เป็นวาระที่เราจะได้ ได้บททดสอบได้บททดสอบก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าได้รวมพลังญาติด้วยเขาเรียกว่าได้ธรรมได้สามคัคคีบอกลูกบอกญาติมิตรบอกเพื่อนฝูงให้มารวมกันได้วาระในการที่จะมารวมพลังกันภายนอกเขาเรียกว่าได้สามัคคีภายนอกด้วยได้กายสามคัคคีได้วาจาสามัคคี แล้วก็ได้ธรรมะสามคัคคีจากการร่วมแรงร่วมใจกันก็บอกลูกบอกหลานบอกญาติบอกมิตรบอกว่าวาระนี้เป็นวาระที่ดีที่สุดเป็นวาระที่เป็นการแสดงน้ําใจที่ดีที่สุดแล้วมีลูกชายมีลูกสาวก็บอกว่าก็เนี่ยโอกาสนี้แต่ละวันเนี่ยอย่าให้ผ่านไปเปล่าให้ทําความดีต่อกันให้มากที่สุด สิ่งไหนที่ทาได้ให้รีบทำและทำไว้เก็บไว้เป็นกำลังใจเก็บไว้เป็นความรู้สึกที่ดีวาระนี้ต้องทำอย่าไปผัดเพี้ยนหรืออย่าไปคิดว่าเราทาแค่เท่านั้นเท่านี้สิ่งอะไรที่เราอยากจะทำให้พ่อให้แม่อยากทำให้ปู่ตายายยายอยากจะทำให้ญาติมิตรทั้งหลายให้ทาให้ตั้งใจในการที่จะทำให้เต็มที่เนะี่ อย่างนี้เขาเรียกว่าได้สามัคคีภายนอกได้กายสามคัคคีได้วาจาสามคัคคีแล้วก็ได้จิตสามัคคีภายในด้วยทีนี้พอได้สามัคคีจากหมู่ญาติมิตรมารวมพลังกันแล้วเนี่ยแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆให้กันโอ้โหเป็นพลังใหญ่เลยเนี้ยเป็นพลังใจอย่างมากมายเลยเนี้ยทั้งคนป่วยทั้งคนไม่ป่วยต่างฝ่ายต่างก็ได้พลังพลังสามคัคคีโดยเนี้ยสำคัญมากเลย เมื่อได้สามัคคีภายนอกแล้วต่อมาแล้วจะประชุมธรรมสามัคคีภายในได้ธรรมสามัคคีภายในอย่างที่บอกว่า1สติเนี่ยคือการที่ว่าดึงการตรึงการจับหรือ ก, การระลึกได้เนี่ยที่ระลึกในสิ่งที่ดีงามเลยเนี่ย น, นี่ใช้สติเป็นตัวดึงภายในแล้วแล้วก็ดึงปัญญามาไปดึงปัญญามาไว้ในตัวความรู้ความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติต่อกันในการที่จะทําสิ่งที่ดีงามต่อกันนี่ใช้ปัญญาไหม ใช้สติไปดึงปัญญามาต่อมาก็ใช้สติดึงความกล้าๆความอาถรรพ์คือความเพียรมาความกล pa, ้า<โ>ๆ <todavía> อาถรรพ์ก ędzy, ้าวไปใจสู้ไม่กล <üman> <manageable> ัวไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาและอุปสรรคนี่ใช้สติดึงความเพียรความกล้าๆมาทีนี้พอได้ความเพียรความกล้าๆความอาถรรพ์ก้าวไปใจสู้แล้วก็ใช้สติดึงปีติมาอิ่มใจมีกําลังใจขึ้นมาไม่ยอ่อไม่ย่นยอไม่กระทอ้อไม่ทอ้อ แล้วก็ใช้สติดึงความสงบ ก, กายและใจให้มีการผ่อนคลายไม่เครียดไม่กลุ่มนะีไม่ทุกแล้วก็ใช้สติในการดึงสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสติระลึกตรึงกันไว้สมาธิความแนบแน่นความตั้งมั่นแห่งจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ใช้สติดึงการวางใจเป็นกลางมองว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดพอวางใจเป็นกลางเข้าใจแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกันเราจะทำสิ่งที่ดีต่อกันให้เต็มที่อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ธรรมะสามคัคคีได้ทั้งสติคือการระลึกได้ได้ทั้งปัญญาคือความรู้ความเข้าใจได้ทั้งความเพียรความแ ก, กล้าอาถานได้ทั้งปีติความฟูใจอิ่มใจได้ทั้งปัสจิีความผ่อนคลาย ได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตได้ทั้งอุเบกขาทั้งความวางใจเป็นกลางก็ประชุมธรรมะสามัคคีภายในให้เกิดขึ้นในในกระแสชีวิตได้ธรรมะได้สามัคคีภายนอกเป็นปัจจัยต่อธรรมะสามัคคีภายในทุกคนก็เลยได้พลังกงินใหญ่เลยทีนี้ได้พลังก็คือกำลังใจได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งกำลังปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่จะ ญาติมิตรมารวมตัวกันอย่างนี้ก็ไม่ทิ้งกันทุกคนต่างขนขวายช่วยเหลือใครมีสติปัญญาคิดอ่านอะไรมีกําลังแบบไหนช่วยกันคนละไม้ละมือก็ได้ได้สามัคคีภายนอกแม้ภายในก็ประชุมประชุมธรรมะประชุมทั้งสติประชุมทั้งความเพียรทั้งปัญญาทั้งปีติทั้งความผ่อนคลายทั้งการวางใจเป็นกลาง ก็สามารถประชุมธรรมะไว้ภายในได้ด้วยเมื่อใจเนี่ยมีคุณธรรมเหล่านี้มีธรรมะเหล่านี้มีธรรมชาติของกุศลเหล่านี้มาประชุมอยู่ในใจแล้วก็จะขับสิ่งไม่ดีออกสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าความไม่เชื่อมั่นก็ถูกกำจัดออกไปความเกลียดค้านความหดถูท้อถอยก็ถูกขจัดออกไปความหลงลืมก็ถูกขจัดออกไปความฟุ้งซ่านลาคาญใจก็ถูกขจัดออกไป ความไม่รู้ความไม่เข้าใจความลังเลสงสัยถูกขจัดออกจิตก็ผ่องใสทีนี้พอจิตผ่องใสด้วยจิตตั้งมั่นด้วยจิตมีพลังด้วยแล้วก็จิตเกิดปีติเอื้อิ่มด้วยเมื่อจิตผ่องใสแล้วเนี่ยก็ทําให้หัวใจเนี่ยหัวใจทํางานได้ปกติเมื่อหัวใจทํางานปกติเนี่ยเลือดเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจหรือถูกปั๊มออกจากหัวใจก็จะใสไปด้วย เมื่อเลือดนั้นใสเลือดนั้นวิ่งไปสู่ร่า ง, างกายทุกสัสดส่วนก็ทำให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยแข็งแรงเปล่งปลังด้วยแล้วก็จะขับอาพาธภายัยภายในร่างกายออกได้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเหล่านั้นน่ยจะถูกขับออกจากจิตจิตที่มีพลังถลักดันให้เลือดไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเป็นเลือดที่สะอาดเพราะมาจากจิตที่สะอาดเลือดที่สะอาดก็ไปขจัดโรคหรือโรคาพาธหรือ โรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายเนี่ยก็ถูกขับออกด้วยนั้นคนที่เขาฟังพระปริศฟังพระที่สาธยายในยุคก่อนเนี่ยเขาฟังมันเป็นภาษาของเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเหมือนยอมพูดภาษาอังกฤษกันแล้วเข้าใจพูดภาษาไทยแล้วเข้าใจเนี่ยพอฟังปุ๊บมันรู้หลักการปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ในปัจจุบันเวลาเราไปฟังพระสวดเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราได้แต่กําลังใจแต่เราไม่ได้ปัญญา พอไม่ได้ปัญญาก็ไม่รู้วิธีการว่าจะปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราได้สามารถขีภายนอกดังที่ได้กล่าวแล้วญาติมิตรเพื่อนฝูงพ่อแม่ปูตาย่ายายเนี่ยได้กำลังภายนอกจงทําวันแต่ละวันเนี่ยย้ายผ่านไปเปล่าแต่วันแต่ละวันที่ผ่านย้า้ผ่านไปเปล่า ต้องขวนขวายสิ่งที่ดีให้เต็มที่ช่วงวาละนี้เป็นวาละที่สําคัญที่บุตรหลานญาติมิตรต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ถ้าอย่างนั้นถ้าปล่อยวันเวลานี้ผ่านไปแล้วจะได้ไม่เสียใจภายหลังถ้าอย่างนั้นมันจะไปนั่งคิดว่าโหรู้อย่างนี้เราจะปฏิบัติต่อพ่ออย่างนั้นปฏิบัติต่อแม่อย่างนั้นปฏิบัติต่อปู่ตายายายอย่างนั้น แต่มันก็ได้แต่เป็นนั่งนึกแล้วก็เสียใจแต่ถ้าเราทำเต็มที่เลยมีเวลาขวนขวาอยากทำอะไรให้อยากจะนวดอยากจะดูแลอยากจะป้อนอาหารอยากจะทำกิจกรรมใดๆทำให้เต็มที่เลยทำด้วยความชื่นใจแช่มชื่นใจทำด้วยความสุขใจทำด้วยความสบายใจและมีความสุขแล้วก็ทรงจาเรื่องเหล่านี้ไว้เอาไว้เป็นอาหารที่ดีหล่อเลี้ยง จ, จิตใจ เอาไว้เป็นอาหารที่ดีหล่อเลี้ยงจิตใจถึงแม้วันเวลานี้ผ่านไปคิดเมื่อไรมันจะสุขใจแต่ถ้าเราไม่ทําหรือยังกักความรู้สึกกักความสามารถเขาไว้ไม่พยายามทําให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยาภาพแล้วผ่านเรื่องนี้ผ่านไปมันจะเสียใจนั่นช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็จงจงกระทําสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนถ้าเราเป็นลูกเนี่ย ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อวาลานี่ยทำได้ดีที่สุดทำกิจของท่านก็ทาได้ดีที่สุดดารงวงตระกูลก็หมายความว่ารักษาเราจะรักษาตระกูลวงตระกูลเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลเนี้ย <c oughs> ให้ยืนยาวให้ดีให้เป็นที่เคารพนับถือทำตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาที่ดีโอ้เราทำได้เต็มที่เลยแต่เนียทำให้เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่จัดการงานดีส่งขคอคนที่เกี่ยวข้องได้ดีเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจค้านขวนขวายทำกิจกรรมของตอนเองได้เต็มที่เป็นน้องก็ทำได้เต็มที่เป็นพี่เป็นปู่ตาย่ายายก็ทำหน้าที่กันได้เต็มที่ก็คือทำกายศาสมาคีวาจาสามคัคคีหรือพฤติกรรมที่สามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดขึ้นได้เต็มที่และไม่ใช่ทาแค่ข้างนอก แม้ข้างในก็ป้องกันป้องกันกิเลสคือความคิดที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจด้วยเช่นการหลงลืมการเลอะเลือนขจัดเมื่อเราเจริญสติได้ฝึกสติกํากับไว้กับตนเองได้พวกเขาก็กําจัดความหลงลืมว่าเออเวลานี้ควรปฏิบัติต่อพ่ออย่างไรควรปฏิบัติต่อแม่อย่างไรปฏิบัติต่อพี่น้องอย่างไรสติก็ไม่ไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงไม่หลงลืม เร่งรีบในการทํากิจและในขณะเดียวกันก็ทกําจิตไปด้วยกิจก็ทําไม่บกพร่องจิต ก, ก็ฝึกได้อย่างดีใช่ไหมทากิจ ด, ด้วยทําจิตด้วยแล้วก็ปัญญาเมื่อสติเกิดขึ้นมาจับแลยนะปัญญาก็มาวิจัยแยกแยะทั้งกุศลอ ก, กุศลคุณความดีจะทําอะไรที่เป็นกุศลเหมือนเนี้ยเหมือนกิจกรรมแบบเนี้มีบทสวดมนต์ก็มานั่งสวดให้ฟังก็ได้ยี่เป็นต้นหรือฟังธรรมะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งดีๆทั้งหลายทํา นี้อยากทําอะไรที่เป็นความดีทําแล้วก็บอกว่านะเนี่ยให้โมทนาอย่างไงเป็นต้นเหล่าแยกเยี้ะแล้วก็จิตก็เกิดความกล้าๆอาถารพ์ด้วยไม่เกรงกลัวต่อปัญหาอุปสรรคเพราะมองแล้วว่าเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บข้างนอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดากายป่วยแต่ใจเราต้องไม่ป่วยใช่ไหมเออเนี่ยมันมีสองส่วนก็แยกกันนี่ออก บางคนเนี่ยพอกายป่วยปุ๊บใจก็อ่อนแอเศร้าหมองซึมเศร้าหนักเลยแตเนี้ยไอ้ใจที่ป่วยก็เลยไปทับถมกายที่ป่วยเข้าอีกก็เลยซุดหนักเลยแตเนี้ยนะหรือบางคนเนี่ยกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยซะเองเลยเครียดกลุ้มทุกข์วิตกกังวลเหงาหงอยเศร้าซ้อยไปไปมาไอ้ไกายที่ไม่ป่วยก็พลอยป่วยไปด้วยเพราะใจมันปเป็นเลยแต่ทีนี้เราเห็นสถานการณ์อย่างนี้เรากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยกายกระสับกระส่ายแต่ใจเราจะเข้มแข็ง ใจเราจะเป็นไปกับสติคือการระลึกได้ใจของเราจะเป็นไปกับปัญญารู้และเข้าใจใจของเราก็เ sí ป็นไปกับความเกล้ากล้าฐานใจของเราก็เป็นไปกับความอิ่มใจมีกําลังใจฟูใจขึ้นมาใจของเราเป็นไปการผ่อนคลายไม่เครียดไม่กระด้างใจของเราก็เป็นไปกับสมาธิความตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่มีพลังมากเหมือนเหมือนการที่เราขึ้นไปบนภูเขา แล้วทําท่อทําท่อน้ําทําเป็นร่องน้ําเข้าไว้เนี่ยแล้วใช้น้ําอย่างมากแล้วเทน้ํามันจะพุ่งอย่างแรงเลยนะน้ํามันจะพุ่งอย่างแรงแล้วก็ส่งไปถึงจุดหมายได้ขจัดสิ่งที่ควรขจัดได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไปเทบนเขาจริงแต่ให้น้ํามันพลาดกระจายไปอย่างนี้งั้นคนที่จิตไม่เป็นสมาธิจิตที่ไม่ดิง่งในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันก็จะพลาดไปหมดเลยนะแต่ถ้าจิตที่มีพลังเนี่ยมันจะสามารถ โฟกัสไปในเรื่องอะไรหรือว่าคิดในเรื่องอะไรมันมีพลังมากมันมีความสุขมากแล้วก็จิตเนี่ยจะมีความตั้งมั่นอย่างสูงเล ย, ยนี่เป็นต้นดังนั้นจิตรวมเป็นหนึ่งจึงเป็นจิตที่มีพลังแต่ถ้าจิตพลากระจายออกเนี่ยไม่มีพลังอะไรเลยฉังนั้นการรวมจิตเป็นหนึ่งก็คือการระลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่ไปฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่อง น, นี้มีความมั่นคงมีความตั้งมั่นแห่งจิตเกิดขึ้นแล้วก็จิตก็วางใจเป็นกลาง ด้วยการที่มีปัญญามาสอบสวนมาใคร่ครวนเบ็ดเสร็จจนรู้ตามความเป็นจริงเป็นต้นได้ฉะนั้นอธิบายให้โยมได้เข้าใจคำว่าโพชฌงก่อนที่พระจะสวดนี้ยนี่พระจะสวดบทนี้แล้วก็โยมจะได้ฟังได้ควได้เกิดความเข้าใจอ่ะเดี๋ยวตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธิตินาปาปะกังสุพีน า, น, านางปัสติมนุจ า, านังปีโยโหติอามนุจานังปีโยโหติเดวตารครันธีนาสักีไยสังวาสัตังวากรรมติตัวทั้งจิตทังสมาธิยติ มกขวันโนวิปัสสีทัติอาสามุลลาหการังกรโรติอุตริงะปฏิวิชันโดบรมารกุปกโคโหติโพชังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัตทิโพชังคาจะทถาเปเรสมาทุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพัทสินามุนินาสมะทัาขาตาบาวิาาวาตาภบารีกตาสังวัตติอภิม ญ, ญายะนิพานายาโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหตุสปัธา เอกสมิงสมยเยนาโถโมกขันรานัญจกักสปังคีราเนทุกทิเตทิสวาโพชังเคสัตาเตเสยิเตจตังภีนันทิตวาโรคาหมุดจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสปัาเอากทาธรรมราชาปิกเครันเยนาปิปิริตโจุนทัตเถเรนตังเยวาพนาเปตวานาสาธารังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาอุทษาสิธานโสเอเตนะสัจวัชเชนะ โสติเตโหตุสพทาปหินาเตจะอาพาธาตินนันนำปีมหเสินังมะคาตะกิเรสาวปัตาอนุปติธรรมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสพทาศิรัสมิงเมพุทธเศทโสาริปุโตจะทักเนวามังเสโมคารโนปุระโตปิตกาตยัง ปชิเมมามะอานันโดเจตุติสาคีนาสวาสมันตาโระกปาราจาอินทาเทวาเจาพมกาเอเตสังอานุภาเวนาสเพยยาปทวาอเ น, นการตรายาปีวินาสันตัวเสสโตทิวาตปฏิอาิจโจรติมาภาติจันติมาสันทโขกติโยตปฏิชายีตปฏิพรามโนอัตาสัพมโหรติงวุโทโธทตปฏิเตชะสาตาทิสงังเตจสัมปนังบุทรทางวันทามิสาธรัง นานยตตราพ่ชาติภสษานันยัตระอินเดียสังวรานันยัตระสัมณีสขาสติ๋งภาสานิปานีนันตีสิระสมิงเมพุทธเศธโรโถสาริปุโตจะทักคีเนวามังเสโมคารโนปุรโตปิตกาตยังปชิเมมมะอานันโดยัตุติสาขีนาสวาสมันตาราราอินดาเทวาเจพมากาเอเตสังอาณุภาเวนสเพป ย, ยาบัตวา อนเนกการตรายาปีวินาสันตัวเสสโตติวาตวปฎิอติจโตรติมาพาติจติมาสนโตคติโยตปตีชายติปฎีพรามโนอาถาสัพมาโหรติงวุทโธตปฎิเตชะสาตาติสังเตชะสัมปันนังพุท ธ, ธังวันทาวิสาทรังนัญจัตราโภชชาติภสษานัญจัตราอินเรียสังวรานัญจัตราสมนิสขาสถิงภาษานิปานินันตี จุดเพีย จ, จุดน้ำมนตนะ์เอา น, นึ่เอาไปให้พ อ, นนอบบจุดเอาจุดมาจากให้พอจุด ยะเิวเร็วเร็วเร็วเโอเคนาโมทัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมัสสะะคะวะโตะมระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โพชังโคสถิตสังคาโทธรรมมางวิจโยตถาวิริยปติปัสสติโพชังคาจะตถาปเรสมาเถระโพชังคาสัตเตเตสะพะินามุินาสัมมาทัคาตาภวิดาปุริคตาสังวตันทียพินญาญาณิพาในิจโพธญาเอเตนะสัชวเชนะโสติเตหุตุสพะทานเอกาสมิสสมเยนะเทโมคะรานันจกาสะปังกีลานทุกิเตทศวาโพชังเกสัตเเทิ เตจะตังอภิธานติตวาโหคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตวูตุสปดาเอกทาธรรมราชาปิเคระเยนาพิปีเรตโตจุนทเทเรนาตังเยวะปนาเปตวันสาธะรังสัมโมติตวาจาพาทาตัมหาุทาสิทานาโสเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตวูตุสปดา เป็นาเตจะอาปาทาตินันนำเปียมเฮสินังมคาตะกิรสาบุปตานุปฏิธรรมตังเอเตนะสัตวเจนะสติเตวุุสัทาติรัตมิงเมิุทรเจตัวสารีบุตรเจตักีเนวามังเสโมกราโนประโตปิตกาตยังปชิเมมมะอนันโดจตุสิชังกีนาสวาสมันตารกปาราชายิตาเทวจะพมากาเอเตสังอนุภาเวนะสเพพยาปทวานิตรยาปิวนาสันตัวเสสโต ทิวาตาปเทีติจโรติบาปาติจันติมาสันโตขติโยตปชายาตาปฏิปัมโมอัตตาสัพมาโหระติมพุโวตาปฏิเชติาตาทิสังเตจสัมบัณนังบุตรทางวันทามิสาธรังนัญยตระโพชาตาภาษานันยัตระอินทริยสัมกราณยตระสัทมิสทาสถิปสานิปานีนันตีนันยตระโพชาตภสานัญยตระอินตริยาสัมกราณยัตระสัทมิสทาสถิปสานิปานีนันติเระมิเมือปุตเสโท ตาริพโตกิเนวามังเสโมครานประโตพิทกษ์ติยังปัจจุเมมมะอามันเจตุสิสาาสวัสดิมัณฑะรเกปาราจัินตาเทวาะจพมกเอทีังอนุภาเวนัสเพพยากะวาเนกาอันตรายาปิุณนสันตัวเสสตตติวาตาปฏิติจโรรติมาปาติจันติมาสนโตขติโยตปิยชายีตาปฏิปรมานอัตตาสัพมโหระติงพุทโธตาปติเตชะสาตาทิสังเตชะสัมปันนางบุตรทางวันทามิสา คต่ะ เพี ย, ยนี่อังได้ก็มาได้รูแชร์แจะกลับห้องหรือยังค่ะไม่ได้เลยค่ะอ๋ออ๋อเมื่อสักเมื่อสักครู่เนี่ยนะสาธยายโพ่ช้างคัปริสแล้วก็อันตรายยกะคาถาในโพ่ช้างคัปริสดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเป็นภาพรปริสที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ตอนนั้นพระมหากรศกท่านป่วยนะพระเจ้าก็แสดงสูตรเนี่ยแสดงพระปริศเนี่ยแล้วก็อาพาธของท่านพระมหากรสปะก็ก็ทุเลาลงเนี่ยก็ทุเลาลงก็หายจากอาพาธครั้งที่สองก็คือพระโมคคัลลานะป่วยอีกพระเจ้าก็นี่แหละสาธยายพระปริตนี่แหละ แล้วก็หายป่วยครั้งที่สาพระพุทธเจ้าป่วยเองก็คือให้พระมหาจุนทะสาธยายโพชชังข้าริสก็หายป่วยนีนะ่บราณอาจารย์ก็เลยผูกเป็นภาษาบาลีไว้แล้วก็ให้พระเอามาสาธยายในยามที่จะป้องกันหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็เลยให้สาธยายบทนี้แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็อย่างที่บอกไว้ ฟังแล้วถ้าต้องเข้าใจแล้วเอาไปเจริญเอาไปทําให้มากเมื่อสามารถเอาไปเจริญเอาไปทําให้มากแล้วเนี่ยหมายความว่าทําจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้เกิดความตั้งมั่นได้พอสมาธิเกิดขึ้นมาได้ เ, oh <my. S 1> เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยอ๋อหา นั้นพอเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วเมื่อไปฝึกให้จิตมีกําลังใจขึ้นมามีสติขึ้นมามีปัญญามีความกล้ากล้ามีปีติความอิ่มใจมีความผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็เกิดการวางใจเป็นกลางได้ก็จะทําให้สภาพจิตเนี่ยเกิดความผ่องใสขึ้นเมื่อจิตผ่องใสก็ทําให้เลือดในร่างกายผ่องใสก็ขับอ า, าพาธออกได้นี่เป็นอย่างนี้เลย เห็นไหมเกิดจากพลังจากการที่พระท่านสาทยายด้วยแล้วก็เกิดจากพลังจากท่านบุนั้นเอาไปฝึกเอาไปเจริญด้วย2อย่างรวมกันเบียดเสร็จก็ทําให้ใจมันผ่องใสขึ้นมาอาพาธในร่างกายก็จะหายไปนี่เป็นปียลักษณะแบบนี้ทีนี้สําคัญตรงที่ว่าผู้ป่วยทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายก็ต้องเอาไปฝึกให้มีกําลังใจให้ต่อเนื่องเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญตรงเนี้ยในเวลานี้อาจจะมีกําลังใจได้ระยะหนึ่งใช่ไหม แต่ถ้าใครเอาไปทำได้อย่างต่อเนื่องใจก็มีพลังขึ้นเหมือนนี่สำคัญที่สุดางด้านจิตใจใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้พวกเราทุกคนสามารถที่จะไปฝึกกันได้ได้ทั้งหมดเลยนะฝึกให้มีพลังอ้ามฟังเข้าใจนะเออเข้า ใ, ใจเลย <laughs>